ยัดที่พุทธเจ้าบัญญัติหรือพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วนักปราทินทั้งหลายท่านมาบัญญัติเป็นศัพท์เป็นแสงอีกทีนึงซึ่งมันก็จะกลายเป็นตัวหลักประยัติปฏิบัติปฏิเวทโดยโดยสาระไม่ใช่เป็นเรื่องของคัมภีร์และตำราอย่างเดียวนะทีนี้เมื่อวานเราพูดถึงว่าสุขเวทนาเป็นเรื่องของกายที่ความสบายความเบาความ สบายทางกายใช่ไที่เราปรับเราก็ถ้าเราไม่จะเลยสติสัมยะให้เห็นความสบายกายตรงนี้ช ắt, ัดๆเราก็จะรู้สึกชอบใช่ไหมไประเอน joy กับความรู้สึกสบายนี้และความรู้สึกสบายทางนี้ส่วนในเรื่องกายนะพอมันสัมผัสได้เดวทธนาในส่วนที่กายนี่ตลอดแต่ตัวเวทนาเนี่ยมันก็จะ รวมไปถึงตาที่เราเห็นแล้วรู้สึกสนุกสนานเวทนาเกิดใช่ไหมหูได้ยินเสียงเพราะเขาชมเออก็รู้สึกชอบแต่ทางทางกายเนี่ยเราสามารถลำดับได้ทันเพราะว่าเป็นองค์ขับพยพที่ใหญ่แต่ประษาธะระหวังรูปกระทบตาเสียงกระทบหู จมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสไอพวกสามสี่อย่างเนี่ยค่อนข้างจะไวและเรียวมากมันไม่มีมวลไ อ, ไอตัวประสาททั่วร่างกายเป็นตัวรับมันมีจุดมันจะไวมากเพราะฉะนั้นพอมันกระทบปั๊บเนี่ยมันจะเกิดความชอบไม่ชอบเป็นโสมนั ส, สเวทนาเลยใช่ไหมอันนี้คือตัวที่ เราจะต้องตระหนักรู้ว่าความพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นไวมากแต่เราก็มีทางเดียวที่จะเลือกที่จะให้เกิดความรู้สึกที่เข้าไปรู้เท่าทันก็คือมาฝึกความรู้สึกทางกายเป็นหลักใช่ไหมเพราะกายในยพอเรานั่งพัฒน์ราจะรู้สึกได้หรือว่าสบายไม่สบายใช่ไหมแต่ตาบางทีดูแล้วเฉยๆมันก็ไม่รู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบอะดูเฉยๆ แต่กายนี่มันไม่เฉยนะพอนั่งเป้บมันจะรู้สึกเลยสบายไม่สบายเกิดขึ้นหูมันกันได้ยินเสียงบางทีก็ไม่มีเสียงเลยมากระทบความชอบไม่ชอบก็ไม่ได้เกิดขณะกินไม่ได้ทานอาหารกินก็ไม่เกิดลิ้นไม่ได้กระทบรสความชอบไม่ชอบก็ไม่เกิดแต่ขณะกายที่เรานั่งเนี่ยความชอบไม่ชอบมันเกิดล่ะอ้หนักชั้นม่สูขขยับนิดขยับหน่อยนี่เราจึงดูกายเป็นหลักไง และในกายคือเมื่อวานพูดถึงเรื่องเวทนาในตัวต้นใช่ไหมว่าสุขเวทนาถ้าไม่มีสติตามรู้สัมผัสตามรู้เท่าทันความรู้สึกสบายกายก่อให้เกิดความรู้สึกสบายอะไรสบายใจความสบายใจนี่เองเราเรียกว่าโสมนัสส์อันนี้ขอรีวิวอีกทีนะเพื่อที่จะยงไปสู่ตัวต่อไปให้ชัดโสมนัสส์เวทนาคือความรู้สึกชอบแต่เราก็ไม่มีสติสัมผัะ เพราะเราไม่ได้ฝึกมาเลยใช่ไหมไอ้ความรู้สึกสอชอบชอบมันก็เรื่อนไปเป็นตัวเพลินเอ็นจอยนันทิราค์เอ็นจอยด้วยความเซนเชอร์เซนเชอร์เอนจอยเป็นคือว่าชอบในอาการที่มันสบายนั่นแหละสติแล้วก็ยังไม่ได้ตัง้งควารู้มันก็เลื่อนไปเป็นอาพิชาอยากจะให้นั่งนานๆในอาการนี้นสบายหุ่นั่งเอน็นเก้าอี้ แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีอีปรับเอใ น, ในสวาแล้วก็อีนวดอีกต่างหากใช่ไตัวลื่นไหลหมื่นทันก็ซื้อแต่ขอให้เอ็น joy ได้อันนี้มันมวิธีนวดเป็นอภิชาเพ่งหาเยื่อบางอันที่จะมาทำให้เอ็น joy ของเราเนี่ยมีอายุยาวขึ้นอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องอาหารนะพูดถึงเรื่องกายก่อนไม่พูดรูปเสียงกลิ่นลดสัมผัสเอาเฉพาะเรื่องกายก่อนมันก็เรียกว่า อาพิชาตัวนี้เริ่มเป็นตัวที่จะก่อให้เกิดกิเลสแล้วเพราะในสถิประฐานสูตรว่าอะไรนะกาเยกายานุปัสสิวิหารติอาตาปีสติมาสัมปชาโนวินายโลเกอาพิชาโธมณตอาพิชามาเลยไอตรงมันเริ่มเป็นอาพิชาเนี่ยหมายความว่าเริ่มเป็นกิเลสชั้นหยาบๆเกิดขึ้นแล้วแต่ในช่วงที่เป็นสุขเวทนาโสมนัสเวทนานันทิเนี่ย ก็ยังไม่ถือเป็นกิเลสมากเท่าไหร่นะพอขึ้นไปเป็นอาภิชาเนี่ยไปว่าเพ่งหาเหยื่อที่จะไปเอ็นจอยอยู่กับสุขเวทนาให้มีความเข้มขึ้นให้มีความยาวนานมากขึ้นแล้วก็มาบรรจาบเป็นสวรรค์ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเป็นสวรรค์หกตาหูจะูุริษกใจแล้วแต่ว่าเราจะไปเอ็นจอยในอายตนาไหนได้มากกว่าอ่าพลายนี่เป็นสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่ ฮะสาที่ห้าใช่ไหมอ่าตาเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งหูเป็นสวรรค์ชั้นที่สองถ้าเราเอนจอยทั้งหูจมูกเป็นสวรรค์ชั้นที่สามริ้นปากเป็นสวรรค์ชั้นที่4ี่กายเป็นสวรรค์ชั้นที่้าใจเป็นสวรรค์ชั้นที่หเราแล้วแต่ว่าเราจะเอนจอยอยู่กับอยายตนะไหนมากน้อยเท่าไหร่ ถ้าเราไปสนุกเพลิดเพลินในยตะไหนมากมากลึกลึกสวรรค์ก็จะละเอียดประณีตขึ้นเรื่อยๆเราเข้าไปติดอยู่แค่นี้เพราะนั้นคำว่าสวรรค์ในมิติของพุทธธรรมเนี่ยมัได้หมายถึงอาเธอร์ดิเมนชันมันจะหมายถึงอีมิติหนึ่งมันก็คือมิติของจิตเท่านั้นเองนะทีนี้พอเลื่อนไปเป็นอพิชาเราก็ยังไม่มีสติปัญญาตามรู้มันได้อีกเพราะเราไม่ได้ฝึกมาใช่ไเราแคเอ็นจอยมันตลอด เราไปนั่งสมาธิก็นั่งลับตาดูลมหายใจไม่ได้เกิดปัญญาอะไรเลยที่จะมาตามรู้สิ่งเหล่านี้เออแบบนี้ทํำไมไม่สงบนะแบบนี้ทําไมไม่มีฌานทําไมไม่ลึกพูที่ชอบไม่ได้สอนให้ทําแต่ว่าท่านบอกว่าผนวกเข้ามาได้ในแง่ของสมถะแต่ไม่ใช่ทางที่ท่านจะสอนแต่สิ่งที่ทางที่ท่านจะสอนคือวิปัสสนาถ้าไม่มีพู้ที่ชอบอุบัติขึ้นเข้ามาวิปัสสนาไม่เกิดก็จะมีสมถะมันมีมาแต่ก่อนผู้ที่ชอบผู้ที่ชอบเขต้องไปหลงไปทํากับเขาตั้งเท่าไหร่กี่ปีตั้งแต่บวชทั้งหกปีใช่ไหม กูจะหลุดออกมาได้แล้วท่านมาทางหาทางของท่านเองท่านถึงเจอทางวิปัสสนาแล้วเราท่านก็มาสอนเราก็ยัไปเอาทางเดิมของท่านนี่แหละใช่ไหมเอนจอยกับชาณระดับต่างๆสมัครรับต่างๆท่านผนวกเข้าไปได้แต่ว่าต้องช้าให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็ไปติดพรมแค่นั้นไปติดพรมแล้วก็กลับพอหมดอํานาจของสมุทรเทวะกลับมาเป็นสัตว์ใหม่ก็วนอย่างนี้ ทุกอย่างเงี้ยสุขเรทุกสุขเรทุกวนอย่างเงี้ยไม่เคยไปข้า ม, มันได้เลยเพราะเราไปติดสงบไปติดเอนจอยเมนนั่นแหละติดนันทีพอไปถึงอภิชากิเลทขั้นยาบเกิดขึ้นแล้วเราก็ยังเพลินอยู่กับมันอภิชาก็พัฒนาตัวเป็นอะไรกามฉันทะใช่ไหมตัวที่ห้าขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเมื่อวานเรียบเลียงแล้วนะจนถึงกามายสวรรค์นวันนี้ไม่ต้องเสียเวลาตรงนี้เดี๋ยวจะไม่ทันต่ออันที่สองเอาละท่านนั่งไปนานๆรู้สึกยังไง เมื่อยหนักร่างกายนะรู้สึกสบายหรือไม่สบายไม่สบายเราเรียกว่าทุกขเวทนาคือความไม่สบายกายเมื่อความไม่สบายกายเกิดขึ้นเรามีวิธีบําบัดสามระดับที่พูดถึงเมื่อวานจําได้ไหมระดับที่หนึ่งความรู้สึกที่มันเปลี่ยนมันเป็นเองนั่งปัม๊มอะมันก็จะเปลี่ยนของมันเองใช่ไหมถ้ามันเปลี่ยนมันเป็นเองมันไม่เคยเปลี่ยนเป็นสบายหรอก นั่งไปสักพักมันก็เริ่มหนักหนักันกนกอันนี้คือหลักของเปลี่ยนแปลงตามหลักของอะไรอันนี้จังทุกขังหน้าตาใช่ไหมอันที่สองโดยสัญชาตญาณคนทั่วไปรู้สึกหนักฉันก็ไปไ็นไงก็พลิกขึ้นก็เปลี่ยนความรู้สึกไม่สบายนั้นไป็นไงล ด, ดลงไหมล ด, ดลงหายไปแล้วมันเคยสิ้นสุดไหมไม่สิ้นพอสักพักหนึ่งเราก็พลิกใหม่อย่างเงี้ยวันไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้ง แต่เราเคยตามรู้ไอการที่ก่อนที่จะเปลี่ยนจะพลิกเพื่อที่จะลดไอความไม่สบายนี่ออกไปอย่างรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวบ้างไหมไมเคยเพราะเราไม่ได้ฝึกเรื่องสติปัญสีมาก่อนเพราะฉะนั้นตัวที่เราพลิกเราเปลี่ยนโดยที่ไม่มีสติสมรยยาเข้าไปรู้มันจึงแทนที่เราจะได้ปัญญามันกลับเป็นได้อะไรโมหะโมหะก็พัฒนาจำนั้นเพราะพลิกเปลี่ยนบำบัดทุกขเวทนาโดยไม่รู้สึกตัว ทีนี้พอเรามาปฏิบัติภาวนาแล้วโอเคก็เป็นสมถภาวนาก็เลยเอาความไม่สบายนี่แหละเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพลังชีวิตพลังขันติพลังอะไรก็ว่าไปนะใครนั่งทนได้มากกว่าใครแก่ได้นั่งได้นานได้หชั่วโมงสู้ฉันไว้ได้ฉันได้นั่งได้สองชั่วโมงแก่ได้สชั่วโมงสู้ฉันไว้ฉันได้นั่งได้สมชั่วโมงโดยไม่พลิกเลยหูฉันภูมิใจเหลือเกินฉันมีความอดทนสูงกว่าใครเกิดอะไรมาณนะอัตตาเกิดได้ใช่ไหม เ, เพราะนั้นจากตัวนี้ก็จากสุขทุกขเวทนาก็กลายมาเป็นตัวโทโมณัตสสเวทนาคือความไม่พอใจไม่พอใจต่ออาการที่พราะเราตามไม่รู้เท่าทันทุกขเวทนาคือความไม่สบายทางกายเนี่ยใช่ทั้งสมระดับไม่รู้ระดับที่เป็นเองคือเรื่องของอันนี้จังทุกขงังตาก็ไม่รู้ระดับที่เราคลิกเอง มื่อพอไม่ชอบมันเราก็ไม่รู้เท่าทันแต่พอระดับที่สามนี่คือรู้ตัวก่อนเราค่อยพลิกตัวนี้คือจะมาแก้ไขเรื่องมันจะไม่เป็นโสมนาาัสสเวทนาไม่เป็นโทมณัสสาวทนาแต่มันจะพลิกเปลี่ยนเป็นปัญญาเลยในตัวที่สามเนี่ยมันจะเปลี่ยนสุขเวทนาทุกเวทนาให้เป็นปัญญาได้เลยแต่ถ้าไม่มีสติตามรู้การเปลี่ยนนั้นสุขเวทนาทุกเวทนาก็เปลี่ยนไปตามเกณฑ์ของมันสมมติว่าตอนนี้เรายังไม่ฝึก น, นะนะทุกขเวทนา ที่เราไม่ได้ฝึกสติสัญญาลู่เท่าทันกลายมาเป็นโทมนาสเวทนาความไม่พอใจความขุนใจอึดอัดจใจความเบื่อเกิดขึ้นใช่ไหมก็คือกลายจากโทมนาสเวทนาก็จะเปลี่ยนเป็นขุนใจเรียกว่าอะไรโกรธาอ่าเป็นโกรธะเกิดขุนข้องใจเกิดขึ้น อ, อัดเครื่องขัดเครื่องเกิดขึ้นแล้ว ก็ยังไม่รู้เท่าทันการมาเป็นตัวพยาปาทะอ่าพยาปาทะเอาเป็นอุปนาหาก่อนคือเข้าไปผูกความขุนใจเนี่ยหลวงพ่อพูดนานจะพูดอะไรนักหนานฉันจะเบื่อแย่แล้วอันนี้มันก็จะเกิดคอมเพลนขึ้นมาในใจใช่มไหมแต่ละวันพูดลเ้เลยยาวยืดยาวไม่รู้เรื่องอะไรมันก็จะเกิดคอมเพลนขึ้นมาในใจเป็นพยาปาทะและพยาบาทะเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้เท่าทันอีกเพราะสติเราอ่อน มันก็พัฒนาไปเป็นตัวโทสักชักหน้าบุบหน้าบึงอาการชักไม่ค่อยดีแล้วแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วใช่ไหมก็เป็นโทสะจากโทสักอาการเป็นอย่างนั้นเราก็ยังไม่รู้เท่าทันอีกว่าตัวเองสสแสดงอาการไม่เข้าท่าแล้วเนี่ยไม่รู้เท่าทันอีกจากโทสาก็พัฒนามาเป็นอะไรไ ม, มาน ะ, ะเห็นไหมจากตัวตัว พยาบาทะก็ดีตัวโกรัธาตุโทสะเป็นกิเลสอย่างหยาบนะพอพัฒนามาเป็นตัวมานะเป็นกิเลยอย่างกลางแล้วมานะเกิดการยืนยันแข็งขืนเกิดอาการของเราของเราเห็นเราเป็นใครมานั่งฟังท่านพูดเนี่ยไม่รู้จักฉันบ้างอะไรเนะีเกิดมานะขึ้นมาแล้วฉันปฏิบัติมานานแค่ไหนฉันปฏิบัติมามีปัญนามาตั้งนานสมถะมาตั้งนานฉันมีอาจารย์ดีกว่า น, นี้เยอะแยะเกิดมานะขึ้นมาเกิดการเปรียบเทียบ ด้อยเด่นด้อ ย, อ ย, อยขึ้นมาเป็นมานะกิเลสอย่างเราก็ยังไม่รู้เท่าทันต่อความคิดนี้อีกมานะก็พัฒนาไปเป็นอะไรทิฏฐิเอ้ยไม่ใช่ดิมานะเดีนี้ไม่เป็นทิฏฐิทิฏฐิมันจะอยู่ในหมวดของอาทุขมสุมานะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นอัตตาฮะมาเป็นอัตตา อัตตาตัวนเกิดขึ้นสําคัญมั่นหมายเพราะฉะนั้นในลําดับของการเกิดอัตตาเนี่ยมันจะมาหมูอยู่ในหมวดของเขาทุกขเวทนาแล้วมานาอัตตาก็เกิดขึ้นมานะไปจะตามเรื่ออัตตาใช่ไหมแล้วก็อติมานะก็เกิดขึ้นมาการลิเชยาอาคัดอะไรก็เกิดขึ้นมาตามนั้นน่ะในกลุ่มของคําว่าโทสะจนกระทั่งมาเป็นพระวสวะอันสุดท้ายเป็นกิเลสอย่างละเอียดเห็นไหม จากจุดที่ขัดข้องทางกายเพียงนิดเดียวขาดการตามรู้เนี่ยมันสามารถอย่างลากลงไปเรื่อยๆจากหยาบกลางละเอียดจนลึกพอไปเป็นภาวาสะสวะอารมณ์เสียเป็นนิสัย Negative personality ดูอะไรก็ตาหุตหขวางเขาพูดพูดอะไรเขาพูดไม่เข้าหูคน ลักษณะ น, นี้มันกลายเป็นมาปุเป็นปุบอันตรายมากแก้ยากเลยแล้วตัวนี้จะไปกำหนดวาสนาชะตากรรมของเราในชีวิตว่าคนนี้จะเจริญลูกเลื้ยงหรือคนที่จะเป็นคนได้รับความเจริญก้าวหน้าหรือไม่เนี่ยตัวนี้จากตัวทุกขเวทนาที่ขาดการกําหนดรู้เพียงอย่างเดียวมันกลับลื่นไหลลงเพียงเป็นกลายเป็นบุคลิกกายเป็นชะตากรรมกลายเป็นวาสนากลายเป็นกําลังมันส่งต่อให้ไปเกิดไปพบ ชาตหนความรู้สึกทุกขเวทนาเป็นภาวะที่สบายหรือไม่สบายไม่สบายใช่ไมไม่สบายทางกายแต่พอมันหลุดไปเป็นความไม่สบายทางจิตแล้วเราเรียกว่าจิตเราไปเกิดในอะไรตรงกันข้ามเรียกว่าอะบายแต่ถ้ามันเป็นในภาวะที่เป็นสุขเวทนาเรวเรียกว่าสบายพอไปเป็นทุกขเวทนาเรียกว่าอะบายอบายแปลว่าความไม่ ไ, ม, ไม่สบายใช่ไหมสบายความไม่สบายเขาเรียกว่าอาบายทุคติวินิบาตนรกมันจะไปเลยข้างบนน่ะอบายทุคติวินิบาตหลวงพุทธเจ้าเพื่อใช้นี่ก็เป็นประจําอบายทุคติวินิบาตนรกท่านใช้คําของท่านแค่สี่คำมีความไม่สบายเนี่ยนําไปสู <ENT> EN ่ความคิดที่ไม่ดีคติที่ไม่ดีทางกายคติที่ไม่ดีก็พูดก็ไม่เข้าท่าจะทําก็ไม่เข้าท่าจะคิดก็ไม่เข้าท่าใช่ไหม ไอ้คนไหนที่มาแสดงความคิดในทางที่ไม่เข้าท่าถ้าเรามีความไม่เข้าท่าอยู่ในจิตของเราเราก็จะชอบไอ้คนนั้นคนไหนมาตําหนิด่าไฟนี้เข้ากับไฟนี้ไอ้ความคิดของเราชอบไยนี้ก็จะมาติดฝ่ายนี้อบายของเราก็เกิดในจิตของเราอับายตัวนั้นก็เริ่มทุกขติวินิบาตจิตของเราจะฟุ้งซ่านคาวินิบาตันี้มาคอยจิตของเราตกไปในอารมณ์ต่างๆอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ฟุ้งซ่านในเรื่องที่ไม่ดีเรียกว่าวินิบาต ฝ่ายนั้นสู้กับฝ่ายนี่จะชนะอย่างนั้นไอ้นั้นทั้งสู้กับอย่างนี้เป็นเรื่องของวินิบาตยพอคิดไปคิดมากลายเป็นนิสยัยตกไปสู่นรกความคิดเหล่านี้รกจิตรกใจทําให้จิตใจไม่เจริญด้วยศีลด้วยธรรมไม่เจริญด้วยเมตตาบางคนปฏิบัติทำมาตลอดแต่ว่ามิเมตตาสักนิดก็ไม่มีเข้ากับฝ่ายนั้นเกลียดฝ่ายนี้อะไรเนี่ยเมตตาหายหมดเลยเพราะเกิดจากความไม่สบายอ่าวาย เล็กๆน้นะแต่มันเป็นสะกิดไฟที่โอ้โหน่ากลัวมากเลยกลายเป็นไฟนรกก็ได้แต่ว่าพูดถึงอบัยในมิติของภาษาคนภาษาสมมุติอาบายต้องไปเกิดเป็นสิงสาราสัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์ในเป็ดอย่างนั้นอันนั้นอีกมิติหนึ่งอัตตา dimension i s not reality นะเชลี Surely, unfortunately i s my talk it's <laughs> a Thai language so you need to listen first I think you live with the t p e people for long, long time. You need to learn about the type language. Therefore, back to น h i s I think that when the feeling is not comfortable, ค u t ม h ู้ the feeling i ั้น t ันบําบ t a ได้ it can be 1ลัก d e ะที t มั h r e e t เอ e s One t าไม่ส that it is ย e l f that we cannot stop า t It is the feeling of discomfort, the feeling of discomfort. ความสบายที่เราผัดเปลี่ยนได้แต่โดยไม่รู้สึกตัวความสบายความไม่สบายที่เราผัดเปลี่ยนไปเองตัวที่ไม่รู้สึกตัวเรียกเรื่องว่ากฎของสัญชตาตญาณและความเคยชินและอสวรรค์มันเป็นไปอันที่สามเมื่อเราได้เรียนรู้วิปัสนาบ้างแล้วว่าเราจะดีลเราจะเกี่ยวข้องเราจะอินวอลกับความรู้สึกไม่สบายนี้อย่างไรนี่คือกฎของวิปัสนาวิปัสนาญาณ คนนั้นสามารถเปลี่ยนความรู้สึกสบายไม่สบายให้เป็นวิปัสนาญาได้เลยเพียงแต่ว่าเราได้ฝึกฝนสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราถึงใช้เวลาทั้งวันฝึกตัวอำนาจของตัวนี้เพื่อให้มันมีกำลังแต่ว่าตัวสติสัมปชัญญะที่เราฝึกนี่มันเป็นสัมมาสติหรือมิจฉาสติอยู่ที่ว่าเราไปรู้เท่าทันต่อสุขทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแต่ละขณะไหม ถ้าไปรู้เท่าทันทุกเวทนาสุขเวทนาที่จะมาให้มันหยัง่งรากลงไปจนถึงนูนอาสวะเนี่ยนั้นเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิแต่ถ้าหากว่าสติสัมยาของเราไม่ตามรู้เท่าทันต่อการหยั่งรากรูดของอาการของสบายไม่สบายจนไปถึงที่สุดเนี่ยแสดงว่าสติยที่เราฝึกมาเป็นมิจฉาสติโดยตลอดเป็นมิจฉาสมาธิโดยตลอด เราไปโทษใครโทษกูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เมื่อวานนมาบอกว่าสัญญาณที่จะบอกว่าเราเดินทางถูกหรือผิดมีกี่อย่างมีสองอย่างนะหนึ่งกรเรียมิตรสองอะไรโยนิสุมนานสิการเราขาดความแยบคายเพราะะจึงขาดความแยบคายเพราะบางทีเกี่ยวข้องมาจากกรเรียนมิตรไม่ถูกกรียนมิตรไม่ไม่ใช่ ก็จึงบอกให้เราอย่างผิดผิดเราก็ไปคิดอย่างผิดผิดอันนี้มีความสัมพันธ์กันนะเอาละทีนี้ในส่วนของทุกขเวทนาหรือความไม่สบายทางกายเนี่ยเกิดทางไหนบ้างทางตาเกิดได้ไหมโอ้ทงใสแว่นทำไมใสแว่นมองไม่เห็นขันตาเออทุกอมองอะไรไม่ชัดมูนินไหมยนหินจะมอง ลืมแว่นที่ไหนว่นจะอ่านหนังสือจะไหนหาแว่นใหญ่ยิ่งหาก็ยิ่งหงุดหงิดใช่ไหมทุกขเวทนากายดูคนนั้นเดินไม่เข้าท่าเลยทำไมเดินอย่างนั้นมันไม่ถูกหงุดหงิดไหมหงุดหงิดเห็นเลยอันนี้ตั้งไม่ถูกที่ทำไมมาตั้งเกีกาดเ่าเนี้ยตาสร้างความไม่สบายใจได้ตลอดไหมขาดอะไรขาดสติสัมผัสยะเข้าไปรู้โอ้ จะพูดถึงเรื่องหูว่งจมูกลิ่นกายเป็นไงเช่นเดียวกันลักษณะเดียวกันแล้ววันน่งสิเรานี่เกิดเยอะไหมถ้าเราไม่มีสติสมิยะเราก็อยู่ในห่วงของอะไรตลอดของอบายตลอดเลยใช่ไหมเราจึงแสวงหาความตรงกันข้ามคือแสวงหาความสบายแต่ความสบายที่เราแสวงหานั้นไม่ใช่เป็นความสบายที่เป็นสัมมาสติเป็นความสบายที่เป็นมิจฉาสติ เราก็จึงแสวงหาความสบายจากข้างนอกแทนที่จะมาแสวงหาความสบายจากข้างในใช่ไหมเพราะฉะนั้นเออการมีรถจะทําให้เราสบายเราหาเงินซื้อรถเพราการได้กินอาหารเมนูนี้มาทําให้เราอร่อยเราก็หาอ่เงินตลอดชีวิตเพื่อให้ได้อาหารอร่อยเท่านั้นเองการได้ฟังดนตรีเส้นนี้อคลาสสิกมากฉันต้องขาดไม่ได้ก็ต้องหาโอ้เพื่อนคนนี้ดีมากพูดอะไรถูกใจคบเพื่อนคนนี้ ภรรยาคนนี้สามีคนนี้ <c oughs> จะทำให้ชีวิตของเราเอนจอยได้หามาไว้บ้านหลังนี้จะทำให้เราอยู่แล้วมีความสุขหาเงินซื้อไว้ท <c> ร <oughs> ัพย์สมบัติทุกอย่างที่อยู่ข้างในเนี่ยแต่ละอย่างเป็นไงเนี่ยกี่ชิ้นเนี่ยนับได้ไหมเน่หลายหมื่นชิ้น่ะแต่ละชิ้นมีค่ามีราคาเล้าเงินมาจากไหนอะพระไม่มีเงินใครเดือดร้อนโยมอาจจะมาจะซื้อนี่นะเนี่ย แปดพันบาทเนี่ยตัวเนี้ยใครจะเป็นเจ้าภาพบ้างใครซื้อเก้าอี้ถวายวัดเนี่ยชาติหน้าเกิดไปจะได้ไปนั่งบาลังเงินบาลังทองโอ้โหโยมก็ฮึดฮัดเก้าอี้ตัวนี้โยมซื้อเป็นเก้าอี้ไม้ถวายวัดในชาตินี้ชาติหน้ามันกลายเป็นเก้าอี้ทองคำอะ่ะโยมโอ้โหลงทุนเพียงไม่กี่ตังค์นะแต่ลงเป็นเก้าอี้ทองคามันราคาหลายสิบล้านนะแต่ที่คุณออกเพียงไม่กี่พันบาทมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลย คือความบังเพื่อให้ความสุขสบายในวันข้าหน้าแต่ใช้ความอยากของเราเนั้นล่อเราเองโอ้โอหร้ายไหมโหร้ายทีเดียวแต่ถ้าเราไม่คิดก็ไม่เป็นไรนั่นคือวัฒนธรรมแต่ถ้าเราคิดแล้วนี่คือเราห่างไกลพุทธศาสนาไปมากขนาดไหนโอ้บสถหลังนี้นะคุณสร้างแล้วคุณจะไปเกิดไปสวรรค์หลายหลายชัย้นเราก็บริจาค ก, กันหลายล้านอันนี้นะถ้าเป็นเงินไทยหลายหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านเนี่ยดังนั้นอันนี้ก็คือ แรงงานของเราทั้งหมดก็คือจะมาเซิฟตรงนี้เราก็โอทอมาหาอินแทบลุกแทบตายนะแต่นั่นไม่ว่ากันเพราะนั้นคือวัฒนธรรมต้องดํารงเอาไว้ <c oughs> ถึงแม้จะไม่เป็น <c oughs> ถึงแม้จะเป็นเปลือกแต่ว่าถ้าเราไม่มีสถานที่แห่งนี้เราก็ไม่ได้มานั่งปฏิบัติ <c oughs> ใช่ไหมแต่เราจะต้องเอาสาระจากมันให้ได้ในแม้ว่ามันจะเปลือกก็ตามแต่เราอยู่กับเปลือกโดยไม่กินเนื้อเลยเนี่ยเป็นไงบ้าง เรามีสถานที่แห่งนี้โอ้โหสร้างมาอย่างดีที่สุดหมดเงินไปหลายแสนหลายล้านเนี่ยแต่เราไม่เคยมาใช้เป็นสถานที่ที่จะทําให้เกิดตัวสติปัญญาอย่างสูงสุดเลยเนี่ยคุ้มเงินไหมไม่คุ้มตรงนี้อามาถึงบอกว่าไม่อยากจะสร้างวัดสร้างว่าอะไรมากมายแต่ว่าจะไปใช้วัดวาที่เขาสร้างแล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเองแต่ว่าไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ละวัดที่จะอนุ ญ, ญาตให้เรามาปฏิบัติต้องละพันหลายขั้นตอนน่ะ ดีไปดีถูกเขาหาว่าล่อนเลพระเนจรอยู่ไม่เป็นทิศเป็นทางไปนู่นเลยเนี่ยถ้าพุทธเจ้าไม่ล่อนเลพระเนจรเราจะมีพุทธศาสนามาถึงวันนี้ไหมเนี่ยไม่มีเพราะพุทธเจ้าสั่งเอาไว้เนี่ยเราไม่ใช่ไปเองพุทธเจ้าสั่งว่าไงจาระห์พิฆเวจารีกังพระมุชนะอิตายะพระมุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวะมนุษสานัง ตอนแรกที่สูตรที่ท่านจะออกประกาศท่านพูดคานี้เลยนะเจระญธรรมพเวจาด้รยกังพิสูจนทั้งหลายเธอจงเที่ยวไปจจริกไปพระหูชนะอิตายะเพื่อประโยชน์ของคนเป็นอันมากพระหูชนะสุขายะเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากโลกาหนุกกรรมระะเพื่อเอื้ออินดูแก่สัมพษษัสสัตทั้งหลายเทวมนุษย์นังทั้งคนดีและคนไม่ดีก็ต้องดูแลเขา เทวาไม่ใช่สวรรค์คนในเกิดในมิติสวรรค์ชั้นต่างๆเทวาคนดีอามาลยใช้คำ ว, ว่าเทวานั้นถ้าเป็นไอ้นิกเนมใน a ฟ e b o o k คือเรารักคนดีนะมนุษย์ก็คือคนครึ่งดีครึ่งไม่ดีดีบ้างชั่วบ้างเเป็นมนุษย์อยู่นะแต่ถ้าเทวานี่หมายควาส่วนใหญ่แล้วมันดีแปดสิบเปอร์ซ์มีคุณธรรมนะมีคุณธรรมสองประการคนที่เป็นเทวดาได้เนี่ย คนวัดคนว่าจำได้ไหมว่าคุณธรรมของเทวดามีสองประการยมโซพรนี่คงจะรู้ถ้าไม่รู้นี่สอบตกแน่ๆเลยหรือเรื่อยยมแดนคบหาพระสงฆ์ข้าเจ้ามานานคงจะรู้เนาะทาที่จะไม่เกิดเป็นเทวดาสองอย่างมีอะไรบ้างอย่าให้ถามยมประพพิษนะ่ะยมประพา พ, นะ พ, าพิสอบมาเรืงความรู้ทางพุทธศาสนายาวนาะ พุทธเจ้าตรัสว่างนี้ว่าฮริโอตะปะสัมปนาสุกะธรรมสมาหิตสันตาสัพริสาโรเกเทวาธรรมติวจเรเราก่าว่าคนที่จะเป็นคนดีได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีคุณทรสองประการหนึ่งนี่อะไรฮริความอายชั่วกลัวบาป ใช่ไหมอดตะปะความเกรงครัวต่อผลของบาปนี่คือคนดีในผู้เชื่อศาสนาแต่ถ้าหากคุณไม่มีฮีเดียวตะปะคุณจะไปทําความดีอย่างอื่นมากมายมาหาศ า, า, าลก็ต้งนรกอยู่ดีเพราะต้งนรกเพราะความดีนั่นเองพอเราทําดีแล้วคนอื่นมาว่าไม่ดีเป็นไง<ม>ก็อดเป็นฟืนเป็นไฟเลยผมทําบุญมาเท่าไหร่คุณไม่เคยทําบุญเลยคุณมาว่าผมได้ไงอันนี้คือคนดีแบบไม่มีฮีเดลียวตะปะ เราก็าจะเลือกพระเลือกเจ้าเลือกวัดเลือกว่าวัดนั้นดีวัดนี้ไม่ดีพระองค์นั้นดีพระองค์นี้ใช่พระองค์นี้ไม่ใช่ก็เลือกไปตามทิฏฐิของเราอันนี้เป็นคนดีแบบโลกโลกแต่คนดีในผู้ได้ศาสนาคือมีเฮริโอตาปะเฮริโอตาปะสัมปนาว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยไม่อยากคิดไม่อยากพูดไม่อยากทําถึงมันเลยนะโอตาปะรู้ว่าพูดทําคิดแบบนั้นแล้วมันจะมีผลแบบไหน ที่ไม่อยากทําเพราะว่ามันมีผลกลัวผลอนั้นตอันนี้คือคนดีในพุทธศาสนาแล้วก็สองอันเนี้หีเลียวตะปะมากลายเป็นหัวใจของอะไรของศีลเพราะถ้านนคุณประพฤติศีลถ้าคุณไม่มีหีเลียวตะปะคุณจะมีศีลเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่ไม่มีความหมายแต่คุณมีหีเลียวตะปะในใจิตในใจเป็นสํานึกแล้วคุณไม่รักษาศีลสักข้อเลยตัวนี้คุณมีศีลเต็มที่เลย แเพราะฉะนั้นฮิริอุตระบะจึงเป็นหัวใจของศีลและอะไรเป็นหัวใจของหิริอุตระบะเออต้องหาแก่นมาให้เจอในหนังสือนวโกวาที่พระมหาสมณเจ้าท่านเรียบเรียงเอาไว้ในหน้าหนึ่งเลยนะพระหูธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างคือสติและสัมปชัญญะ เมื่อฝึกสติสัมยาอย่างถูกต้องเป็นสมาสติแล้วมันจะเกิดธรรมที่ทําให้โลกเนี่ยมันปลอดภัยทําที่รักษาโลกทําที่คุ้มของโลกสองประการคือฮีรีโอตปบะคําว่าคุ้มของโลกคือคุ้มครองกายคุ้มครองใจเราไม่ใช่โลกแผ่นดินอนันนี้กายใจเรานี่คือโลกอันหนึ่งเมื่อมีฮีรีโอตาที่จะคุ้มครองเราได้คุณจะต้องมีคุณธรรมอีกสองประการ ขื้นจะงดงามคือมีอะไรขันติโสรา จ, จับางครั้งบางสิ่งมาง อ, อย่างยั่วยุหลอกลอ่ลอให้เราทําแต่เราทนไม่ได้หราถึงทาไปใช่ไหมหัว อ, อาหารชนิดเช่น ฉ, น ฉ, นฉนัต้องกินท่านต้องไปให้ได้มันอยู่ไกลขนาดไหนมันเป็นห้าดาวนะ่าอร่อยมากทนไม่ได้ต้องไปต้องไปเพราะความอยากมันเล้าใจเรื่เกิน่ะแต่ถ้าเราเคยฝึกวิปัสสนามาแล้วอความอยาก ความอยากกับควมหิวมต่างกันความหิวเมวื่อวานนะ่ยแค่กินกล้วยสองสามลูกก็อิ่มแล้วใช่ไหมแต่ความอยากเนี่ไปกินอาหารห้าดาวเจดาวมันก็ยังไม่อิ่มอยู่ดีใช่ไหมอาหารอาจานละหมืน่นสองหมืนก็ไม่อิ่มอยู่ดีแต่กล้วยาราคาไม่กี่ตังค์สาบาทห้าบาทอิ่มเพราะฉะนั้นคุณภาพมันอยู่ที่ความอิ่มไม่ใช่อยู่ที่ความอยากไม่ใช่อยู่ความหิวนะเพราะฉะนั้นเอามาจึงไม่กลัวความหิวความหิวเมื่อไหร่ก็เอา้าเอามาน้ําแก้วหนึ่ง จัดการได้เรียบร้อยแต่ความอยากอุ้มน้ํานี่ก็ถ้าต้องเป็นกาแฟ น, นะสตาร์บัคนะคาปูชิโน่ น, นะไปนู่นเลยนะแต่ถ้าไม่ใช่สตาร์บัคฉันไม่เข้านะเยนี่ยอันนั้คือความอยากไม่ใช่ความหิวเลยต่างกันไหมน้ําแก้วหนึ่งไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียเวลาไปไหนเลยใช่ไหมแต่ถ้าว่าน้ําแก้วนี้คุณต้องเป็เนไอกาแฟสตาร์บัคเท่านั้นไม่ใช่สตาร์บัคฉันไม่เอาคุณต้องขับรถไปไกลแล้วแถวนี้เกิดไม่มีสตาร์บัคก็ต้องไปอีกเมืองหนึ่งอ่ะ เพรฉนความอยากก่อให้เกิดปัญหามากมายเลยใช่ไหมแต่เราเคยกลัวสิ่งเหล่านี้ไหมไม่กลัวเพราะเราถูกครอบงําเรียบร้อยแล้วด้วยอํานาจของสุขเวทนาที่เราลืมกําหนดความสบายกายเพียงนิดเดียวนี่นะความอร่อยลิ้นเพียงนิดเดียวที่ลืมกาหนดความสบายหูเพียงนิดเดียวที่เราลืมกำหนดมันก็ให้เกิดรสอร่อยเพียงนิดเดียวกลิ่นหอมเพียงนิดเดียวเนี่ยน้ำหอมขวดหนึ่ง หอมถ้าหากว่าเออเราปลูกต้นไม้ใกล้บ้านมันก็หอมทั้งเนาะต้นมะลิอะไรต่างๆโอ้ฉันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาไปหาตังค์น้าหอมคนนี้หนึ่งมืนบาทฉันไปซื้อมาแล้วก็มาสเปรย์ใส่ในรถในบ้านหอมสักพักหนึ่งไปไงหายไปกลายเป็นคนละเรื่องกลายเป็นเหม็นเลยนะถ้ามันหมดลทธิทั้งมันหอมแล้วเนี่ยแต่กลิ่นมะลิดอกลาตรีไม่เคยเปลี่ยนแปลงว่ามันจะเหม็นนะแต่เราก็ไม่มีเวลาที่จะทํา ดังนั้นม า, มาอเมริกาเนี่ยรู้สึกเป็นระบบที่ค่อนข้างโหดร้ายมากมารับมันก็ได้ไม่รู้ปีหน้าจะมาหรือเปล่าว่าจะไม่มาหลายปีแล้วก็มาพอยุมทั้งนี้อ่อนวอนมาให้หลว่อไม่มาไม่มาเอาเอาตัว๋วส่งตัวพอส่งตั๋วไปเนี่ยเรียบร้อยเลยเราปฏิเสธไมได้โอ้โหซื้อตัว๋วงตั๋วกลับไปกับตั้งสี่ห้าหมื่นแต่เราไม่ไปได้ไงอันนี้คือข้ออ่อนใจของธรรมา มันจะหมดเวลาแล้วเพราะว่ายิ่งมาเหมือนเหมือนว่าได้เห็นความเร็ว้ายของระบบที่นี่แล้วมารับมาค็ได้นะมันโหดเกินไปนะทำอะไรได้ร้อยเหรียญเราจะใช้ของเขาไสามสิบสี่สิบเหรียญนั่งนั้นแท็กเอาไปกินหมดโหดเกินไปนะฮะเรื่องเมตานะ เพราะฉะนั้นเรื่องเหลเี่ยนี้เราต้องบอกความจริงให้กันฟังนะมันไม่มีเวลาจะมาพารณาถึงอา น, นิสงส์ของการปฏิบัติว่ามันได้เป็นกกนรกตั้งใหญ่สวั่างนั้ไม่มีเวลาเหตุของมันแค่เราพูดแค่เนี้ยเราก็ทําให้จบไม่สิ้นอยู่แล้วใช่ไหมแค่ว่านั่งเนี่ยเออคุณรู้สึกหนักไหมหนักขยับอยา่อยางรู้สึกตัวแค่เนี้ยปัญญาเกิดแล้วอพอจะนั่งนไปเพินพิชไปปับ๊บแค่นั้นแหละตัญหาและโมหะเกิดแล้วแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากตัวกฎของ ธรรมชาติที่เรียกว่าอานิจังทุกขังเนี่ตาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะหลับเราจะตื่นเราจะรู้หรือไม่รู้ก็มันทํางานของมันตลอดเวลาเราเกิดมาปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มรับกรรมของกฎอันนี้แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ทํางานของมันตลอดเดี๋ยวเจ็บเดี๋ปวดเดี๋ยววยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวไข้เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่เปลี่ยนสลับสเปลี่ยนเดี๋ยวแปลปูนเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหายเดี๋ยวไม่หายสลับปเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาเราก็จะต้องเข้าไป เดีลยวไปเกี่ยวข้องกับไปความรู้สึกเหล่านี้อย่างมีสติสมัมปชัญญะแล้วเราจะพ้นจากมันได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนตามคำสอนวุฒิาตหลักของสติสัญญะแล้วไอ้ตัวความที่เราไปฟลโล่ตามความรู้สึกนี้อย่างขาดสติมันกลับเป็นเชื้อที่จะให้เราเกิดใหม่อีกที่เรียกว่าโมหะใช่ไหมความหลงไปความลืมไปที่จะรู้เป็นเชื้อที่เราเกิดใหม่ เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกไม่มีที่สิ้นจบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงมาอุบัติตรัสรู้ในโลกนี้เป็นระยะระยะไงเพื่อที่จะมากรอบผู้สัตว์ที่มีจิตใจดีนิสัยดีแต่มันออกจากอันนี้ไม่ได้สร้างกุศลข้างบุญมาเยอะแต่จะออกจากกฎนี้ไหมจนกว่าท่านมาชี้อ่า ตอนท่านมาชี้ครั้งแรกท่านมาเดบุชี้ว่าคุณต้องไปให้ทานรักษาศีลอย่างไรให้มากไม่ใช่นะั้นท่านบอกว่าทางมีสามทางคุณจะเดินทางไหนหนึ่งทางสบายสองทางไม่สบายสามทางที่อยู่เหนือความสบายและไม่สบายคุณจะเดินทางไหนถ้าคุณเดินทางสบายคุณไปเกิดในเทวดาในโลกสวรรค์ไม่ไม่เคยชินจบอายุของเทวดาจึงนานมากนะเป็นหมื่นปีเป็นแสนปี เป็นพรหมอย่างเงี้ยแต่ทุกคนไปติดความไม่สบายคุณแก้ตรงนี้ไม่เป็นคุณสแสวงหาความสบายคุณสแสวงหาความสบายแบบไม่มีวิญญาคุณก็ต้องได้ความไม่สบายคุณสแสวงหาทรัพย์สมบัติด้วยความไม่ฉลาดคุณก็ได้ทุกมาด้วยใช่ไหมทุกหงุดหงิดแต่ละวันทุกเพราะจะต้องอะไรแต่การบริหารจัดการไม่ดีขาดทุนรัฐบาลเอารัดเอาเปรียบคู่แข่งเอารัดเอาเปรียบเกินคนงาน เอารัดเอาเปียบฮอกุงคอร์รัปชันเอาเปียบเราเกิดใจเราเป็นไงสบายไหมไม่สบายเป็นนรกหะือยังแต่สิ่งที่เราทําเราต้องการแสวงหาสวรรค์ใช่ไหมคือได้กําไรได้พ่อพันธุได้อะไรมาบ้างมากแต่สิ่งเหล่านี้มันก็แฝงไปในยะของโกของอะไรอานิจังทุกขังอ น, นะเปลี่ยนแปลงจากดีเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนชั่วจากชั่วเป็นดีตลอดแต่เราไม่เคยข้ามดเเูเนื้อของการวัฏจักรอันนี้ได้เลยเพราะเราไม่เกิดวิปัสสนา พราะเจ้าจึมีตัวกลางว่าคือทางสายกลางคุณเทินทางสายนี้นะคุณจะอยู่เหนือทั้งสบายและไม่สบายพระเจ้าจึงประกาศหลักของมัชฌิมาปฏิปทาหลักของมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรบ้างก็เริ่มต้นตั้งแต่สมาถิธิเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาถิธิวิสัยทิปิเป็นมาอย่างไรจะพูดพุ่ง น, น, นี้วันหนึ่งถ้าจะมาบวกวันนี้มาเยอะเกินไปแค่นี้ก็เยอะแล้วใช่ไหม ต่าไม่ทันแล้วนะถ้าบวกเรื่องนั้นเข้ามาอีกเรากําลังพูดถึงเวทนาทั้งสามใช่ไหมสุขเวทนาทุกเวทนาพวกนี้จะพูดถึงเรื่องอทุ ข, ขามาสุขเวทนาเฉพาะทุกเวทนาเนี่ยเราก็ดิ้นโลนกับมันตลอดเวลาที่เราพลิกเราเปลี่ยนเราเคลื่อนเราไว้อย่างนน้นอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะทุกเวทนามันไล่บีบคั้นเราไงถ้าเรานั่งอยู่ทื่อๆสักชั่วโมงโดยที่ไม่เคลื่อนไหวได้เป็นไงลมหายใจก็ไม่เคลื่อนไหว หัวใจก็ไม่เคลื่อนไหว <c oughs> ชีพจรก็ไม่เวิร์กอย่าว่าถึงชั่วโมงไงแค่ห้านาทีไปแล้วใช่ไหมนี่คือกฎธรรมชาติมันทํางานตลอดเวลาแต่เราจะไปเวิร์กกับกฎธรรมชาตินี้ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีสัมมาสติไม่มีส ม, มาธิิเราก็ต้องไปอบายตลอดเวลาอบายตอนแรกอบายทางกายก่อนใช่ไหมก็เปลี่ยนไปนอบายทางจิตแล้วก็อย่างแรกดิเฟนเดรูดมอยน์มอยน์หม to ุดีบลี มีคำว่าแฮปปีในที่สุดแล้วเขาถูกข้องำโดย habit ้อเนจีอำนาจของความเคยชินข้องาเราเราก็จะเวียนว่าจะเกิดอย่างเี้ยซึ่งไม่เป็นเรื่องยากหรอกแต่เราจะต้องมีคุณสมบัติหาประการหนึ่งต้องมีศรัทธาเชื่อมัน่นว่าสิ่งเนี้ยมันถูกต้องมาดีงามแล้วสองเชื่อว่าฉันจะต้องทำได้ ใช่ไหมสามทาได้อย่างถูกต้องด้วยสี่ตั้งใจที่จะทำห้าหารายละเอียดในการทําว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนใช่ไม่ใช่ถ้ามีคุณสมบัติทั้งห้าประการเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ขาดสมบัติทั้งห้าประการนี่เป็นไง impossible นะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะแต่ถ้ามีคุณสมบัติทั้งห้าประการไปได้ไวมากพระ ยาศาสตร์กุลบุตรฟังพระพุทธเจ้าเช้าเดียวเป็นไงบรรลุธรรมพระพาหิยทธารู้จี้ฟังพระพุทธเจ้าชั่วโมงเดียวบรรลุธรรมพระองคุลิมานฟังพระพุทธเจ้าไม่นานบรรลุธรรมไวก็ไวมากจริงๆนะ แต่เช้าก็ช้ามากจริงๆอย่างพระนร น, นอยิวพระพุทธเจ้ามายี่สิ้าปีจนพระพุทธเจ้าตายแล้วก็ยังไม่บรรลุธรรมอีกเลยว่าจนถูบังคับ อ, ะอ่ะเนี่ยเดือนนี้นะเขาจะทำสังขายาณาแล้วคนที่มาสังขายานาพระสูตรนไม่มีนั้นนอกจากคุณนะเพราะฉะนั้นคุณทุบไปรีบทํำหอมเพียรให้ได้พระมหากรสสปะสั่งใช่ไหมก็อยู่พระพุทธเจ้ามาตั้งยี่สิบห้าปีแล้วทําไมคุณไม่ทําสักทีแต่ได้ดวงตาเห็นทำแต่ยังกำจัดอาสวะไม่ได้อะ่ะพอไฟบังคับโอ้เขาจะสังขยาญากันแล้วเนี่ย พุทธเจ้าตายไปแค่เดือนเดียวไี้เกิดเรื่องเกิดเรื่องเขาว่ า, ากล่าวตูอุทธิบายประชิตอะไรนะี่ยกล่าวถูคําสอนพระเจ้าเออตายซะได้ก็ดีท่านอยู่ในเรื่องกดอันนั้นกดอันนี้ยุ่มยิม้มเยอะแยะไปหมดเออท่านตายไปแล้วเราจะสบายเนี่ย น, นี่คือกล่าวถูคําสอนพระเจ้าเป็นเหตุให้เกิดสังขย า, าเกิดขึ้นยังไงบางคนไม่ชอบพุทธเจ้าอ่ะฮะวินัยเยอะเหลือเกินระเบียบเยอะเหลือเกิน ให้คนที่มันมันไม่มีศรัทธาใช่ไหมก็คิดออกมาอย่างนั้นพอเป็นเหตุพระมาตรวจสอบดอูแล้วเนี่ยพูดที่จะมาสังคายนาเรื่องของพระสูตรที่มีเยอะแยะตลอดตัดในเที่ยงต่าง45ปีเนี่ยใครไปจำหวัดไหวใช่ไหมนอกจากพระอานุนพระอานุนความจําแม่นมากแต่พระอนุนยังไม่หมดอาสว่าได้ดวงตาเห็นธรรมอยู่รู้จักรูปจักนามอยู่แต่ยังไม่รู้จักกัลปมัฏฐเพราะฉะนั้น ในข้อตกลงว่าผู้ที่จะเข้าสังขญาคนี้ต้องเป็นพระอรหันตขีณาศพมีคุณสมบัติมียพิยาสามว่าป็สามพิทาสีพิยาหกมีวิชาสามว่าพิยาหกเป็นสัมพทาสี่ถึงจะเข้าร่วมสังขยาคนี้ได้แต่พระนุนยังไม่มีทําไงไปหาคนอื่นก็ไม่มีหาก็จะป่าเลยสั่งเลยท่านนั้นไปทําความเพียรสักเจ็ดวันนะยังไงมันงานมันใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยนทะ่านก็ทําเต็มที่เลยเจ็ด ว, วันประกวดไม่ได้เรื่องเลย เราไม่มีวสาสนาเราคงได้แค่ น, นี้ไปนอนดีกว่าพอเองตัวจะนอนเนี่ยปุง้งขึ้นมาเลยอประลุทำขนาด น, นั้นเลยคนนั้นถามว่าพระอนุ์บลุธรรมในอิเดโบทไหนเนี่ยยืนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่นั่งก็ไม่ใช่เดินก็ไม่กําลังจะนอนน่ะท่านบอกพระอนุนบ์บลุพระลานในอิเดโบทสีใช่ไหม ย, ยืนเดินนั่งนอนกําลังจะอยู่ในระหว่างนั้นอ๋อเรื่องมันนอกเรื่องไปไกลแล้วนี่นะ <laughs> ดูมากยากนานดูน้อยพอเราขาด ไ, ไว้ออกนอกเรื่องเลยเพราะนั้นความรู้สึกที่ไม่สบายเนี่ยเราจะบริหารจัดการยังไงถ้าเราไม่ฝึกสติสัมปชัญญะมาก่อนเนี่ยมันก็จะภาวนาไม่ได้ผลอะไรเลยชาวพุทธของเราภาวนากันขนาดไหนใช่ไหมทั้งปีทั้งชาติจัดวมตรงนั้นตรงนี้อาจารย์จัดคอ น, นั้น้อ น, นี้บรรยายตรงนั้นตรงนี้ พอไปแต่หน่อยไม่ได้เดขึ้นปึงเลยอย่าว่าแต่ผู้ปฏิบัตินะอาจารย์เองก็เหมือนกันนะก็ ล, ลองไปใส่เขาสักคำท่านใช้ไม่ได้เลยนะ อ, อปฏิบัติทำมาอย่างไรไม่เรียบร้อยเลยดู เ, ออเกาา่มาๆมากออกมาก็ขึ้นฮึบเลยใช่ไหมโมพาชัา้นทำมาชันบ่นว่าตั้งนานแล้วนั่นนะพันสาวเท่าไหร่แกรู้ไหมเนี่ยฉันจูบอะไรมาแกรู้ไหมใส่กับคืนเลยเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่าว่าแต่คนปฏิบัติและคนสอนอยังขนาดนั้นนะ่ะแล้วคนปฏิบัติขนาดไหน ลองลองดิเราลองไปคุยสอบก็ดีนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะที่เราเสียเงินสร้างวัดสร้างวาสร้างศางสน า, ส, า, ส, าสถานมาปีปีหนึ่งไม่รู้กี่พันล้านนะแต่ผลประโยชน์ที่จะให้เกิดแค่ว่าบ้านเมืองขัดแย้งแค่สองฝ่ายตีกันนะมันก็ยังไม่จบเท่าบัานนี้มันจะมีปัญญาอะไรไปแก่พุทธศาสนาไม่เข้าใจไม่เข้าใจในพุทธศาสนาไม่ใช้ปัญญาแต่ใช้แต่อารมณ์จะไงแล้ภาวนาะ สร้างวัดไม่รู้กี่หมื่นวัดเนี่ยวพระปีหนึ่งไม่รู้กี่แสนรูปนะ่ะน่าเศร้าไหมน่าเศร้าเพราะนั่นมาเองก็เลยละเหตุมาที่นี่เผื่อว่ามาแสดงคะคนดีมีปัญญามากกว่า น, นั้นบ้างแล้วกลับไปที่นั่นอีกก็เริ่มน้ำเริ่มมีผลตัวนี้ในพุทธศาสนาในการเจริญสติเนี่ยขยายไปนอเมริกามาไปเห็นการทํา ง, งานของคุณจอห์นกาเบรตซิน ทำงานของคุณริชาร์ดเบอร์นสลีชาร์ดเบอร์นได้ตั้งโรงเรียนสติเลยนะตอนนี้น ะ, อะลองเข้าไปพิมพ์ในยูทูบคาว่าไมโครเนสเทร i n ิ่งบ้างดีเพื่มเลยว่าอะไรเป็นอะไรมีการประชุมมีการสัมมนามหาไรยนั้นมหาไรยนี้เกี่ยวกับเรื่องสติมาเสดายไักเรียนันศึกษาคุบาอาจารย์ที่มาศึกษาในอเมริกาไม่ได้สอบไม่ได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้เลยมาเพื่อที่จ ะ, ะถูกล่อด้วยดอลลาร์อย่างเดียวมันไม่ไหวนะ ดังนั้นเองเราจะต้องมาดูมาศึกษาเรื่องเหล่านี้บ้างเพื่อที่จะไปช่วยไม่ใช่เพ่อช่วยคนไทยช่วยคนทั้งโลกเพราะคนทุกคนในโลกมีความทุกข์เหมือนกันไม่ว่าคุณนั้นคอมเนยน้อนเราหลวงพ่อเทียนบรรยายทุกครั้งจะอ้างถึงเรื่องนี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นอเมริกาแขกอังกฤษคอมเนยน้นเรวไทยชาติไหนพอยสไทยมีสิ่งนี้หมดไม่ว่าเขาจะเป็นคิดอิสลามก็าตามมีสิ่งนี้ทั้งหมดพุทธภาวะภาวะรู้ตื่นเบิก บ, บานมีอยู่ในใจทุกคน เชื่อไหมว่าครั้งแรกที่หลวงพ่อเทียนเข้าผ่าตัดลำไส้ที่เป็นมะเร็งนะดูหลวงเลี้ยดูไอ้โรงพยาบาลสมิติเวชคนที่ออกค่าใช้จ่ายตั้งเป็นแสนเนี่ยไม่ใช่คนชาวพุทธนะเป็นใครรู้ไหมเป็นบ้านหลวงเออทำไมอ่ะเพราบาหลวงคนนี้เป็นเพื่อนของหมอวัฒนาวัฒนาเป็นหลานหลวงพ่อเทียนไะหมอวัฒนาที่หมอผ่าตัดมือหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยเป็นหลานหลวงพ่อเทียน คนหมาวัฒนารู้ว่าบัตหลวงคนนี้มาเสียค่าใช้ใจ่ายในการผาตัดหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าคุณเปลี่ยนเป็นพูทแล้วเหร อ, อ, อ, อผมไม่ได้เปลี่ยนเ อ, อ้าทำไมคุณไปใช้ใจใ่ายให้ผมรู้จักหลวงพ่อเทียนทําให้ผมรู้จักตัวเองดีขึ้นเพราะนั้นผมจึงไม่เสียดายซั์ในส่วนนี้เพราะว่าถามหลวงพ่อเทียนแล้วท่านตอบได้ทุกคําถามผมไม่เคยเชื่อภาพแบบนี้มาก่อนนอมใสว่าทําให้ผมรู้จักตัวเองดีขึ้นตั้งจากได้ถามบัตร ห, หลวงพ่อเทียน เห็นหนี่คือคนมีปัญญาเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นแล้วก็ติดตามตลอดตัวเชื่อไปถามหมอวัฒนาดูนะเพูดเอาไว้ที่ท่านพูดไว้นะนันเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีความเป็นพูดเป็นคิดเป็นอิสลามเป็นอะไรแต่เป็นผู้ที่ใส่ใจต่อความจริงของชีวิตที่เห็นเฉพาะหน้าเนี่ยเราใส่ใจที่จะรู้มันแค่ไหนใส่ใจที่จะศึกษามันแค่ไหนนะถ้าหากว่าเราเข้าใจในจุดนี้แล้วเราจะ เห็นอาการการเคลื่อนไหวความรู้สึกต่างๆในร่างกายในการเคลื่อนไหวของเรามันคือทรัพย์สมบัติมหาศาลที่เราละเลยมาตลอดชีวิตใช่ไหมตั้งแต่เกิดจนบัดเนี้ยถ้าจะนับการเคลื่อนไหวความรู้สึกต่างๆที่มันผ่านชีวิตเข้าไปแต่ละวันเนี้ยนับได้ไหมอัน u า t เ b l ลเลยนับไม่ได้เลยอ่ะนั่นหมายความว่าเราได้สูญเสียอริยทรัพย์ไปมากมายขนาดไหน จนกว่าเราได้มาฝึกฝนได้มาศึกษามาฟังในวิธีการวิธีการหลวงพ่อเถีไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแต่เป็นวิธีการที่เปิดทางให้เราศึกษาได้มากที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับอนาป่าที่เขาทํากันเนีามาเคยอยู่กับหลวงพ่อพุทธธาตุเคยศึกษาวิธีการสมถะต่างๆมาแต่ว่ามันไม่เปิดเรานั่งอย่างนี้คุณต้องนั่งอย่างนี้นะเรานั่งแค่ซึ่งชั่วโมงเราก็ไปไม่ไหวแล้วใช่ไหมม่วงสงอกสงแงกเสหน้าเ ส, าเสหลังอ่ะ แต่ว่าในสถิประธานสูตรกว่าใครก็ตามเจริญสถิติประธานต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ตลอดเจ็ดวันถึงเจ็ดปีจะทำลายทุกได้ทาลายกิเลสได้แต่เราก็ทำมาหลายปีนะ้วมันเกิดเจ็ดปีแล้วนะมันก็ยังทำลายอะไรไม่ได้ยังความโลภ ก, ก็ยังเต็มหัวความโกรธก็ยังเต็มหัวความหลงก็ยังเต็มหัวอเอ๊ะมันถูกลรบเปล่าเนี่ยเริ่มคิดถึงเรื่องนี้อ่า พอดีมารู้จักอาจารย์โกวิดนะโควิดเถมานะาทเคยอ่านหนังสือของท่านเคยติดตามการฟังบรรยายของท่านมาแต่ทําไมท่านไปหาหลวงพ่อเทียนนะแล้วเวลาบรรยายพูดถึงหลวงพ่อเทียนทุกครั้งในสมัยที่มายังไม่รู้จักหลวงพ่อเทียนนะบรรยายที่ไรอ้างหลวงพ่อเทียนว่าอย่างนั้นมาฟังหลวงพ่เอเทียนเป็นใครอก็ถามข้อมูลพอดีตรงตรงนั้นสมัยนั้นเราไปสร้างท่านพาลูกศิษย์ทั้งหาไปสร้างอาสมนวชีวันที่นครนายกไงแล้วก็ตามไปกัน แต่ปรากฏว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนตามไปเรียกว่าตามไปประกบก็ได้นะเพราะท่านพึ่งมาดูจังหลวงพ่อเทียนที่วัดชมพูทานปีหนึ่งแปดท่านภัยบุญกับเนรมิตรีเนี่ยตามไปเอามาฟังอาจารย์กวิแต่มาเห็นแบบอย่างของท่านภัยบุญกับเนรมุตรีเนรมิตรีเนี่ยปฏิบัติปฏิบัติทั้งวันโดยนจุกคมสั่งจังหวัดทั้งวันเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะนะก็แปลกใจไปถามท่านว่าปฏิบัติแบบนี้มาจากไหนทําอย่างไรท่านบอกจากหลวงพ่อเทียนแล้วท่านอยู่ที่ไหนท่านที่วัดสวนแก้ว ตอนนั้นว่าสงฆเจ้าท่านพระยออยู่ที่นนบุรีนะเอามาวัานต่อมาเอามาก็ามาเลยมาพบหลวงพ่อเทียนเวล า, าก้จะหมดเราเอาไว้เล่าตอนอื่นเนาะกำ <c oughs> ลังอีกได้แต่หลายนาทีนะต่อยหน่อยก็ได้มาพบหลวงพ่อเทียน ระหว่างที่เราเคยอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสก็ดีเจ้าคุณโชดกวัดมาธาตุก็ดีทั้งหลวงพ่อชาก็ดีท่านบอกใครไม่รู้จักรูปนามนะปฏิบัติวิปิสานาไงก็ไปไม่ได้คุณต้องรู้รูปนามทีนี้ไอ้เราก็สงสัยตัวเองเรารู้รึเปล่าแต่รู้ในตำรารู้นะแต่ต้องบอกว่าถ้ารู้รูปนามแล้วมันจะดีอย่างงี้ยอย่างนี้แต่เราก็ยังไม่ดีอ่ะแสดงไม่รู้สิใช่ไหมก็เลยไปไปพบหลวงพ่อเทียนถามหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อครับผมมาเนี่ยโอ้โห ตอนนั้นเป็นไข้มารีเรียตีไข้มารีเรียม า, ย า, ยมายจ๊กไอ้นครนายกก็เป็ดงใช่ไหมบ้านดงอ่ะตีไข้ามารีเลียมาไข้ามารีเรียก็ขึ้นไปถามสงอกแส้งไปถามท่านหลวงพ่อผมอยากจะรู้รูปนา้าเป็นยังไงไปถามคําแรกเลยนะท่านก็ขวขวดน้ำอยู่ใกล้ๆเนี่ยมาเปิดให้ดูแล้วก็ถามจะมาว่าเนี่ยขวดนี้เวลาผมเปิดแล้วผมโยนขวดนี่ทิ้งเกิด อ, อะไรขึ้นน้ําก็ไหลหกหนีหมดหลวงพ่ออ่ะทีนี้ผมทําใหม่ผมปิดให้แน่นแล้วผมโยนทิ้งเกิด อ, อะไรขึ้น น้ำก็เหมือนเดิมเนี่ยคือรูปน้าเข้าใจไหมเนี่ยเอามาก็างงไปไกลแต่แดกเลยเพราะอะไรรูปน้ำยังไงบอกไปหาตัวนี้มาหาที่ตัวน้ํามันหายไม่หายนี่แหละตัวนี้แหละคือ ต, ตัวรูปน้าคือฝามันใช่ไหมเอามาก็มาเรียมก็ขึ้นแล้วคุยกับท่านนิดหน่อยแล้วมก็มานอนสมคข้ามาเรียนอยู่ใต้ต้นขอยหน้าสลาของวัดสดุดแค่วิ่งใต้ต้นขอยขนาดใหญ่ไหมแล้วก็นอนนั้นสัก ไปสองโมงตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกเพราะใครมาเรื่อยๆพอเหงื่อแตกนี่มันก็จะอาการมันก็จะลงทันทีนะจากนั้นก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่างวัดประยูนกับวัดสนามไนนะ่เนี่ยก็ทํามาเรื่อยๆมีอยู่วันหนึ่งที่พักทือวัดสนามไน่เพราะวัดสนามไน่พอพอพ อ, ออกคันสาพลาดร า, าก็เริ่มออกต่างจังหวัดแว่าใบไม้เริ่มหล่นใช่ไหมทีนี้เราอยู่วัดกันไม่กี่องค์เรก็กวาดใบไม้ทั่ววัดทีนี้มีอยู่อันหนึ่งกวาดเนี่ยมันหนัก มันหนักหัวไหลมากทีนี้เราก็มาตามรู้อาการเนี่ยมาตามรู้อาการหนักหัวไหลอาการหนักหัวไหล่มันหายวูบไปเลยมันเบาโลงเออเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่นั้นมามันมันเริ่มมาใส่ใจต่อความรู้สึกดูมันหนาขนาดไหนใช่ไหมแต่อิจดูรู้สึกหนักรู้สึกเบาตลอดเวลาเราไม่เลยเคยสัมผัสมาเลยแต่วันวันมันเกิดสปาขึ้นมาอย่างมันโล่งไปเลยโอ้อันนี้เรามังเหรรูปน้ํา นะแล้วไปถามหลวงพ่อบอกก็ไม่รู้ละถ้าเห็นด้วยตัวเองมันก็ใช่แล้วนะถ้าเห็นจากอาจารย์บอกจากตำราบอกมันไม่ใช่แต่เห็นด้วยตัวเองมันใช่ก็ดีใจเนี่ยตอนเย็นวันนั้นเกิดวิปปิตรีมึนขึ้นนะเดินว่อนทั่ววัดเลยมันเดินไปเหมือนตัวลอยอะ่ะตัวเบาอะ่ะ <c oughs> อาจารย์ท่องรุ่นตั้นเปเจ้าวัดนึ้งก็ทำมันไปไปจับแขนมามาแก่หลวงให้เห็นไหม เพระะนันหลวงพ่อเทียนท่านสอนแบบเซนน่ะสมัยสอนแบบเซนใหเราให้ไปหาคําตอบเองนะนั่นเรื่องเหล่านี้จึงมองข้ามสิ่งเล็ ก, ลกๆในน้อยไม่ได้ความรู้สึกต่างๆขยับพลิตขยับหน่อยหายใจลึกไปถึงไหนเพราะฉะนั้นวิธีการหลวงพ่อเทียนที่บอกว่าไม่ได้สอนเรื่องอนาป่าไม่ใช่ท่านสอนคุณละแบบแต่บอกให้สติกับการเคลื่อนไหวให้มันเข้มแข็งซสียก่อนแล้วถึงไปทำอนาป่าได้ และอนาปาที่คุณทํามันไม่ต้องไปใส่พุทโธใสหนอลงไปให้รู้ว่าหายใจให้ลึกให้รู้หายใจสั้นให้รู้หายใจยาวให้รู้หายใจใหญ่หายใจเล็กให้รู้เท่านั้นเองเพราะเราอยาไปให้ความสําคัญกับลมหายใจมากกว่าในส่วนอื่นการเร็วซ้ายไหลขวามันไม่ได้ต่างจากลมหายใจให้รู้มันการเอื้อมมือไปจับตรงนั้นตรงนี้ช้าวัยก็เหมือนลมหายใจใช่ไหมเราให้ความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายเท่าๆกัน แต่ไม่รู้นะอนาปนานสติสิบหกขันหลงพ่อพุทธทาท่านตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอาจจะไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงอาจจะเป็นการอธิบายของพระเกจีอาจารย์อัตถคขาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะท่านพุทธโสาอาจารย์ในวิสุทธิมรรคขยายเรื่องนี้เอาไว้ท่านบอกว่าเป็นเรื่องเกินจําเป็นนะบางอย่างนะตอนนั้นท่านก็บอกว่าหายใจเข้าหายใจออกก็พอแล้วแต่ในพระไตรปิฎกท่านให้นับนะหายใจเข้านับ หนึ่งามสี่ห้าจนสุดหายใจออกก็นับหนึ่งสองสามนับเป็นคู่ก็ได้นับทีระคำก็ได้นับเป็นคู่หนึ่งหาสามสี่สี่ห้าจนสุดหายใจออกก็หนึ่งหนึ่งสมสมสี่สี่ห้าจนสุดเรียกว่าอาณาปานสาตินะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตามรู้ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆใ น, ในกายเนี่ยควรจะทำให้ชัดเอาไว้แต่อย่าไปเพ่งนะไม่ใช่คอนเซนเทรตไม่ใช่ฌานนะ แต่ใช้คําว่าประชานาติได้รู้ให้ชัดรู้ให้ชัดว่าเออเราจะพริกเนี่ยให้รู้ให้ชัดนะแล้วก็จะง่ายขึ้นนะเพื่อนในช่วงเช้าวันนี้น่าจะเข้าใจในระดับหนึ่งได้นะก็พอแค่นี้ก็ขออนุญานาสาธุที่เราจะาศึกษาและทําความเข้าใจกับเรื่องของเราเองในระดับที่เราจะเข้าใจได้ ความรู้สึตัวทั่วพร้อมมีอยู่แต่เราจะเห็นรายละเอียดมันมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวสติสมิญะของเราเองนะขอให้ความตั้งใจนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นกายเห็นใจของตัวเองให้ชัดแจ้งแล้วออกจากความทุกข์อันเกิดจากกายจากใจนี้ได้ด้วยกันทุกคนรู้ท่านถือ